ธรรมะตั้งเลยวันนี้เกี่ธรรมะเฉพาะเวกเราเกี่ยวกะเจ้าหีเด่นหลวธรรมะเร่องของพระของเราในหวในศาสตรนติดการงานสิ่สําคัญที่สุดสิ่่พระเจ้าเล่าสอนตลอดทงประอาจารย์ ตอนก่อนขออุปสมบทบรรพชาเป็นผู้สื่อสามโนเป็นจู้สื่อสารขันยึงไม่มีผู้อืนที่จะเหนือเราต่อผู้สื่อสารผู้ใต้เท่าทรงสอนปิฎกอาจารย์แนะนำตอนบวชทางศาสนาเทวานิตาคือการสอนของผู้ต้เท้า จะมันด well, <c oughs> <c oughs> <c oughs> ักให้ที่ต <inhos> <N isis> ูปามาเรียนศึกษาการมาถามห้าหรืออเมซตาคีอพังบอกไว้อเมซตาก็คืออย่างจุตจตุทถามมาเรนเรี้นลแล้วรีนทำจุจใรียทางมันไปยกถึงเรื่อง ทุกที่สุ่จิตต์แต่ต้องสาคืมจิตตุนั้นขาดทีนสขาดจากจุตต์หมายถึงขา่างลดรักของเขาราคาจะหนึ่งบาทขึ้นไปเศรษฐกิจเปีกคุณวิเสิ่นึ่งมีนดตาลรมีน้ำตาล จะพูดได้เฉพาะพิสุเดลือกันคืออนุปัชสมอุปัชสมบัติอนนีุปัชสมบั น, นิแต่เมื่องไปถึงเรทรวะธรรมวิเศหรือเป็นวิเศษที่เกิดเห็นเป็นรู้จากการประพฤตปฏิบททัติของตอนนั้นถ้าจะพูดอย่างตรงไปตรงมากว่าเราประเฤตปฏิบัติรู้เห็นดูเด่นอย่างนั้นอย่างนี้กันห้ามกันหรือว่า เป็นธรรมคือไงเส้นควรจะูดบจ่อนุปส่อำบัญแต่การแนะนำเป็นไปอีกอย่างหนึ่งการพูดถ้าหากมีมีมความจริงภายในจิตในใจไม่มีอะไรจะยึ่งเกี่ยวอั้นถ้าพืดกับอนุปส่อำบัญต่อสามมเนินลงไปต่างกับปับอาบัตใตาจิตติถ้าพืบโ ด, ดยเกียตนปาอยากจะให้เขาสล้เเเาเสรนมโดนดองเราดีเราดุล เราเห็นเราเป็นสิดีเยเศษเหนือคนต้องการแต่เขานับหน้าทิ้ตาต้องการราบปากกาล่าต่างๆอันนั้นมันไม่มีในตัวแต่ต้นสูดอยากจะให้เขาเลื่อนสยอยากให้เขายินดีจนใจ่เราจป็นคนดีคนเพลิดแตใจสดอย่างนั้นอย่างนี้ท่านจับอบาบัติปารัสิก มหมายถึงมีม <mister ius> ูลความเจริงถ้ามีมูลความจริงกับอวบัตใตจิตติทางเข้าด้านในสองพระมีอยู่อย่างนั้นการอวดอุตริไมีสัจธัรเป็นสองสําคัญบางขันบางคนสิ่งมาเดี๋ยวิดจากการถูดไปจะผิดเจาะการศึกษาถ้าทำด้านในน้อยไปก็อาจจะเถือไปเดินไปก็จิตใจของเราเห็น เป็ น, บบย อ, ยยนอย่างไรแต่มาอยากพูดสารวาตรแดบโยนหรือสามมณนปังอย่างนี้นเป็นทางสีเขียเป็นทางสีจับอบัตเป็นโทษเกี่ยวตัวต้องตัวถ้ามันมีเกียงถ้ามันไม่มีเกลียวจะจับถึงที่สุดประวัติทั้งสี่แผ่นเขียะไว้เหมือนกันกับตานยอดเบือ ไม่มีเวลาที่จะงอกขึ้นได้ตามถ้าหากถูกตัดยอดตามตปนนั้นจะต้องตายมีทางอื่นที่จะงอกหรือยืนยองคงอยู่นี่จะทางตายสายเดียวหรือเหมือนหินหักไม่มีทางที่จะเ่ยงกันได้หินหกักทางลงมา วิไายะนาดินต่างๆมันแตกเยยยายากหากมันแตกแหลบละลายไปไม่เยยยาไม่ได้เนี่ยนั้นกัไใบไม้สี่เลืองเลี้ยงลงจากขั้วถึงจะเอาเอะไรไปติดต่อไว้ใบไม้ใบนั้นก็ไม่มีวันที่จะเจขียวสดงดงามสนดได้ น, นอกจากนั้นจะเหมืวนคนตัดคอขาด มีแพทย์ีีหมอทางไหนจะมายายารักษาให้ใหายบกติเป็นคนกินมาได้หรือไมยถึงปารานิกเป็นอาบัตหนักสาหรับพี่ตุเจ้าปองตังวรระวังรักษาเจ้าข้ อ, อ, อ, อหมนุษย์รักของเขาเหตุการณเหวียอุตริมนุษย์จะทำทั้งสี่ข้ อ, ขอนี้พจะพกทธเจ้าแหางหาักในที่สุ ฝ่าฝืนแต่สิ่งที่สำคัญที่จะเป็นไปได้ของมนุษย์มันจะยากลำบากขอ ง, งจิตใจโหดร้ายตามานพิจังณ์จึงจะทำลงรักของเขาจะมีหลายแง่หลายมุมสิ่งจิตใจของบุคคลคสิ่งโลกหลงไปในนั้น <c oughs> ด้านต่างๆทางา ง, ทางสิ่งของอาจจะเกิดขึ้น ราคาตุณค่าของพิสุทาบัญญัติเอาไว้ยงบาทเดียวพื่อห้ามาศบาทเดียวของไทยหรือหยิดเดียวของลาวเงินเดียวของหยืดสิ่งกระเพื่อไหนเขาถือว่าเป็นบาทของเขาจํานวนของเขาจํานวนร้อยสตางค์ของเราจะถือเอาเพงินนั้น เป็นสำคัญถ่าหา à, เร่องลำทำเกินไปบาปแต่บาปหนึ่งขึ้นไปจะต้องขาดปาราชิิเป็น ích, ปาราชาิิเป็นทึกสุในศาสนาม่ได้ถึงเป็นได้เขาไปฝากไปไหว้ไปสักการะบูชาก็เป็นพระที่ไหนดีฉัน้ังจับเทอบหนักไปอีกเราขาดจากทึกตุให้ที่อื่นก็ฝากเพราะว่า เป็นบาเป็นกรรมนะครับไถ่ทานของเขาทั้งเสีเราเหมือนมีศีลก็เป็นบาปเป็นตารมดนั้นแนจึ้ห้งเด็ดขาดเรื่องปลาชีสเรื่องพายงไมหากเ้าอยากจะรู้อยากจะเข้าใจต้องศึกษาจากตำรับตารางทางศาสตร์นเป็นว่าบิดาจิขหาไม่หขัน อยู่ในยมุกเ่นหนึ่งเล่นสองเล่นสามกันบอกเอ้อธิบายแจมแจงปัดแจนเราจะนับสื่อชื่อแห่ชื่อมือสืบกันฟังมันก็ยากเพราะเวลาในเชียงพอนี่คือจิตทีทุกตสามเนมนักเหนือในเชียงธรรมที่เป็นอนิสตยอุปัชฌาย์อาจารย์เนี่ยสอนวันละเบิดนอกจากนั้นจิตเชียงธรรม ฉันก็บอกเอาไว้ตีวอย่างเหมือนกันหนึ่งเงินผ่าบางสุดกุลนี่ไหนเึิ่งมาผ่าบางสุดกุลหากเราไหนมีหลักสตาระมีใช่ถ้าหาบอดีจี ว, วอนเราไปสถานคือใดเห็นผ่าตกโกลนซึ่งมีจอดของแต่ตอนต ห้าผ่อนคนสบายคือจะน่ะหนึ่งมาห่มมาอาศัยเป็นของรู้ตุกรู้สึกว่าประชาชนต้องนม่เกิดติดทาเรื่อนไสในศาสนาหายาท่านจึงมันหยัดให้ชื่อสุแสวรรค์ฮะหายาบางสุกุลตามสถานที่ต่างๆตามถนนท่อทางตามระยะมือสอยตามปาช้าห้ายาว แปดนี้กว้างสี่นิ้วให้เจ็บออกมารีกลับเอาไว้มาปะเย็บต่อกันจึงจะตัดเป็นจะบงจีวรได้ถ้าหากกว้างสีน่นี้ยาวแปดนิ้วสินเลยกขนาดนั้นจะมาทำเป็นจีวรต้องปะติดปะต่อกันมากนับไม่ได้ถ้าจะต้องหลายสีหลายอย่างมาซักฟอก ยึดย้อมทำเป็นบ่งที่รอยหนึ่งห่มมีหมายถึงจิตของผู้สืบสืบบวชในศาสนาในมีการเห่ห่มเด่นเร้นกระวงกระวายในการแต่งกายจะให้สวยงามอย่างพระอรหันต์เขาพอเป็นหนึ่งห่มจิตบางอวัยวะเทศดซึ่งเป็นของไม่สมควรจะให้ผู้คนส่ใจคนเขาเห็นแถวนั้นหนึ่งห่ม จิตกั้งอวัยวะเพศหนึ่งหมเพื่อความอบอุ่นอยู่ได้ป้องกันเหยียบยุงหนาร้อนไม่ได้มึห่มเพื่อความเผื่งานหรือหลาอย่างเชาววัดเขาท่านจึงบัญญัติอย่างนั้นแต่ถ้าหากมีอขะหะบอดีจีวรคือจีวรเข้ามาถวายท่านก็ไม่ห้ามเราสามารถ คือจะหนึ่งฮมได้แต่สมัยปัจจุบันคือวันนี้หายากคะบางจุดเป็นก่เหตุใดที่หายยากก็พราะเหตุว่าถ้าพิตุสามเณรที่บวชมาในาศาสนามีลาสตะละเล่นเหลือถ้างนึงพ้างหงมีือจะเสือเงี้งงมมนเดยเย็บกระติดระต่ออย่างนั้นทำได้อย่างสบายใจอยากได้เทไร็มชอบ คือจะหนุนจะห่มนีคือสมัยปัจจุบันที่เราเห็นกันอันนี้แสงส่วนนี้เกิดมาจากสู้ปฏิบัติชอบคือพระพุทธเจ้าและอริยะสงฆ์เทวประบัติปฏิบัติสวยงามความดีสุขเคลื่อนที่เชื่อถือของประชาชนเชื่อไปเห็นเที่วเลื่อมใสยิ้มดูหาดตกบกท่งอะไรหรือต้องการยินดีสนขอหา้าให ก็เลยมีมากมาหลายเหลวงขึ้นในลําบากยากเย็นในการจะไปหา่าบังสุกุนเหมือนก่อนหนุ่ไหน้ายุงคอต้นที่ถึงสอนให้แสดงหาคือที่แสดงหาเลื่องหงุดหดโดยเจตนาในต้องตามหลืหลานตาปวดเอ๊ตามเอ๊เสือต่างๆ จิตใจเช่นนั้นก็จิตใจมีธรรมในตัวเรื่องมือเรื่องเรื่องโลกหนึ่งจะเรื่องของธรรมจิตสงบจิตสบายหลังจากนี้สอนแบบนั้นก็สองเที่ยวินพระบาทต่อไปขอเขาได้อากับยิริยา เดินไปไม่ต้องออกปากหรืไม่ต้องทําอะไรอย่างเมืองอย่างใดให้ก็หามาให้แต่ยืนถบาตขอทางเข้ามาพิชัยการที่คืกขอนีตัวสะดวกสบายในทําด้วยในสมัยพุทธการการยินถบาตลําบากไปจะต้องยืนหน้าบ้านของเขาสังเกตว่าเขาจะให้หรือไม่ให้หรือจะเป็นอย่างไรหากเขาจะให้ การเกิดเห็นก็คอยเขาสายยืนนานงคอยส่งควรในเห็นเขาทำแต่สิจิริยาสาที่อะไรแต่หนีไปการขอทานเป็นเรื่องลําบากยืนงยากไม่ใชเล่นเหมือนกันกว่าจะได้มาสดมาฉันแต่ละวันแต่ละที่สมัยก่อนเป็นอย่างนั้นแต่สมัยปัจจุบันก็ง่ายอีกไปในบ้านไดเขาก่อน พอจะเห็นยึดตือสามมาเนินตบินสบาทเขาก็เตรียมตัวไม่ทันต้นนิมนต์มาอย่างนั้นต่อยิงตามมีอตัวง่ายสบายมีอก็อันิ่งสงของศาสนาเนื่องจากพระพุทธเจ้าเรียลยศสงบันเคยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาแต่ต่อปอดคนเห็นเราเลื่องใสเราตกอาศัยหาเหลืองเทศของนักบดือด ถึงมีชีวิตอยู่ได้ในศาสนายืนเดงเคียงมาก็เพราะเหตุว่าเขาเรื่องสายตับทาท่าหนึ่งทางโฮมหรือการกดขันกดพอเป็นไปไม่มีอะไรที่จะลำบากอยากเย็นถ้าเขาเห็นเขาจิตใจของเราถือสายแส่แต่เพลิมไม่ได้คิดอยู่นหรือในทางของศาสนาไม่มีพระมีเินประจำจิต เขาอาจจะเดือหน่ายฮ่าเขาเห็นโดยยางของเขาเราต้บงเรียสอนตัวของเราการไปยิมท่าบาตแต่ต้องเรวมระวังรักษาภาวนาไปในตัวนี่เป็นคําสอนอนุศาตร์ที่ให้ฝึกษาในเรื่องมือปฏิบัติก็สามต่อไปอยู่เคลื่ต้นม้หมายถึงว่ามีดยางสบาย ไม่ต้องคิดจึงใหญ่โตก็อยู่ได้อาศัยได้ที่ไหนอยู่ไปแต่สมัยก่อนการสอนอย่างนั้นสมัยปัจจุบันอยู่คนไม้หากเ้นหน้าทันสาทห้าเข้าทันาก็ต้องมือขีดอยู่ที่อาศัยอยู่ต้นไม้ก็ไม่ได้อยู่ในท่านจะต้องมือสาจิตเตปได้ จะมีประตูออกเข้าหนีเพ่งจะหมายถึงการถึงเวลาในใจหนาฝ น, นออกพรรษาหาฤาษีภาวนาตามสถานที่ต่างๆก็ <c oughs> ควรไห้พอเป็นผี่อาศัยกันแดดได้แต่ฝนไม่ได้กดันแดดจะได้เป็นบางกลางบางเวลาเพราะไม่มีอะไรปิดบงังไม่มีฝา แต่ท่นก่อสอนประโยชน์อันนี้เรื่องอันนี้ก็เพราะพระพุทธเจ้าเองตัดรู้จากควรไม้ท้าทิฏฐิอริยาสงต้นของศาสนาจะอยู่ปาประเพืปฏิบัติอาจทำ ร, ร, รู้เห็นดี เ, เดินทางนานจิตใจแต่จริงสอนให้มากน้อยสั่งต่ในการหนื่งการเหม่ม การขการฉันการเจ็นอยู่ไอ้ชิจรจะต่างนั้นสังนี้ดานวัตถุเนินเกินเหตุเินผลแต่เขาทำให้จะต้องดูแลรักษาเสนาสนวัตมือบาดกวาดหรือดูแลรักษาปวดหรืออะไรสิ่งก็ต้องแกะต้องแค่ออกเนอมันสมรูดตุ้บตมก่อมีการปิทั้งสอน ก่อแปลงดูแลแหนึ่เป็นเรืเ่องเจนาเนาวัดคือวัดของที่สุดูแลรักษาที่อยู่ที่อาศัยเพ่งตนทำเมียสอนในเด็ก ส, สั่งโบสถ์สั่งศาลาสั่งปฏิวิหารใหญ่โตหรือหลาทำสอนแบบง่ายง่ายแบบสบายสำหรับเพจของพระนอกากนั้นข้อที่สี่ จะันสอนให้จัดทำเรื่องของยาจำเป็นทั้งเพศของพระเนนและฆราวาสัต่จึงว่าเรื่องทั้งสี่คือจีวรยินทบาทเจนาชนะเจอนาเทตเป็นจิตจำเป็นของพระเนนหรือฆราวา เป็นสิ่งอาศัยของมนุษย์ที่มีชีวิตปัจจัยเพื่องอาศัยของบรรดาชีสืออย่างยาที่ท่นแนะนสอนเป็นญาที่ประชาชนคนทั่วไปไม่นิยมกันพระที่มีชื่อเหลศปัญหาและที่มีทิฏฐิมานะก็อาจจะฉันในได้ ฉันบอกว่าให้ฉันยาดองเหนือน้ำเมืดเน่ายาดองเหนือน้ำนำเดือดของเราหรือของคนอื่นนั่แหละเป็นยาที่พระพุทธเจ้าแนะนหรือเป็นอนุสาดในเรื่องเรืต้นแสวงหายาอื่นเท่าไรสมัยนั้นคงจะถือกันเรื่องการขบขันนํามืดดองไปปลวกทำป้องสมองต่าง สมัยป so the ัจจุบ so ันค so so so ืออาจารย์ท่านก็ทำเพราะเป็นยาระบายและเป็นยาที่ทําให้ร่างกายตื่นกรันมีกําลังขึ้นแต่โดยส่วนใหญ่คือจะได้ฉันมีจํานวนน้อยสมัยปัจจุบันเราเคยทำกันยาหล่อนนี่คือเป็นยาในทวีในเรื่องนิสัยที่อาจารย์สอนบางครั้งบางคนบื่อตั้งแต่เด็กจนกระทั่งวันตาย กมาเคยเรื่องเหล่านี้เพยาะยาอื่นมันมีมีเพวกยูปตาพวกพระกรรฐานโดยเฉยๆท่านเคยทากันมีก็เคยขันมาอย่างเหล่นานี้มีหม า, า ย, ยถึงปัจจัยเรื่องอาศัยทั้งสี่ศีลศิษย์สามมณีเรีนจากเทศของสารวาัตรสมาบูรณ์ในศาสนาถ้าหากตั้งหน้าตั้งตาประทฤษปฏิบัติ ตามอัดทำรรที่พระพุทธเจ้าสอนเปนไปในทางสงบเปนไปในทางเรื่องง่ายเนไปในทางจะทำกายทำใจคงตัวให้ประเสริฐวิเศ๋คขทีขีเ่เจเลกที่เคยมีมาให้หงอยเหงาหรือหลุดเหล่มไปเพราใจของทุกคนจุดผ่างทราวาสมา เคยแต่หรือหละเคยแต่อย่างศิโลก็นิยมอันนั้นดีอันนี้วิเศดชอบแต่ถ้ามาเบื่อหมดสิทธิจะทำอย่างนั้นเพราะเดือดใจก็ชีวิตของนักเบื่ออาศัยคนอื่นต้องให้อะไรมาต่อทานไป ต, ตามเรื่องของตัวสิ่งดใดที่ไม่ผิดทํำดีในสิ่งดใดที่ไม่เป็นข้าศึกต่อถากถันตรคภัยของตัว ควานได้ฉันได้ไม่ถือว่าอันนั้นต่าอันนี้สูงอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีเรียสานอย่างนั้นอย่างนี้คุดคิดคิเป็นแต่อย่างนั้นให้ระงับดับเอาไว้การขบฉันเพื่อจะยังชีวิตให้เต็มอยู่เป็นวันๆได้จะทิพตปฏิบัติตั้งหน้าภาวนาทําความดีของนั้นในมือในรสชาตินึ่งเหมือนกัเหมือนกันในมือในความสวยงาน อยูอาศัยก็เหมือนกันไมน่ต้องเพียงต้องเหียงต้องเย็ดต้องถือที่อยู่ที่อาศัยเรื่อไม้หรือทำงา น, นได้เอยู่สบายมีทางสอนจิตอันนี้เป็นจิตสําคัญทางพระพุทธศาสนาะเรื่องพระเนนจะต้องศึกษาจะต้องฝึ ก, กปฏิบัติเป็นจิตระวัดภายในจิตในใจต้องตอน หากคู่ศึกษาคู่ตั้งหน้าปฏิบัติเพื่อคอลุมขี่เฉลี่ยปัญหาเพื่อชำระจิตใจให้ฟ่องใสความจิตใจให้สงบจะต้องทําอย่างนี้าาทำอะไรทำอย่างนี้ไม่มีวันเวลาจิตใจมันจะคิดจะอ่านที่นี้จะติที่ อ, อาศัยในเสืองาน ม, มันจะคิดไปอยากจะก่อส้างหรืออยากจะไปหาที่ใหม่ที่นี้อาหารในดี รสชาติในอรอยอร่อยจะวิ่งว่อนไปหาอาหารที่ชอบตามจีเรตตามหาเครื่องตัวเพื่อผิดคิดหนึ่งสิ่งเป็นในจิตายใจแบบนั้นก็หาความสงบสงัดในจิตในใจไ่ได้ไม่มีโอกาสเวลาจะภาวนาเป็นเน็ตเป็นหน่วยดักถาหากเชื่อคําสอนของพาาระพุทธเจ้าหรืออุปัชฌาย์อาจารย์สอนมา มันง่ายมันสบายจิตสาคัญของศาสนร์ศาสนาเตหยีมาตั้งหน้าตั้งตาละเชื่อบําเพ็ญดีท่ำจิตของตนให้ผ่องใสสงบเย็นนี่เป็นจิตสาคัญต้นจิตใหญ่เป็นงานใหญ่เป็นงานเฉพาะของนักเดือดไม่ใชงานเล่นๆงานละกิเลสเป็นงานใหญ่ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดว่าทุกรายะทุกเวลาทุกยันคืนเดือนตีเราจะต้องตั้งหน้าประเัตปฏิบัติในเกิดอัดเกิดทมขึ้นในจิตในใจทั้งตนอย่างไรจะสะดวกจะสบายภายในใจจะไม่ยึดไม่ถือใจจะสงบรังนับถึงจะฝ่าฝืนทีดเหลือปัญหาความยากภายใน มากน้อยเไรไม่ต้องคํานึงหาจะต้องตั้งหน้าศึกษาต้องตั้งหน้าทาในจิตแบบนั้นจนจิตใจของตนเห็นผลในความตปนอยู่ว่าอยู่แบบนั้นมันสะดวกสบายมั น, ง, นง่ายในการรักษาง่ายในการภาวนาง่ายในการทําจิตเห็นอนิสงส์จากการกระทําบําเพ็ญของตนเห็นผล ความสุขความสบายภายในจิตในใจไม่มีอะไรในโลกทั้งสามในวาหารมาลกรู้ประโลกรู้ประโลกจะประเสิวิเศษเท่ากับจิตี่รู้เห็นแลรที่เหลือบั้เข้าใจชัดเจนเป็นอยู่ภายในตัวโดวยไมมีใครบังคับบัญชาการจะทามร็คภาวานาะมันจะต้องเป็นอัตโนมัติของมั น, นเองเนื่องจาก จิดได้สัมผัส ร, รับรับอัจทำทสื่เตียวโทปิิบตัตินี่เป็นเรื่องสาคัญถ้าเล็นอัจเข็นทำใครในจิตในใจใจได้รับสัมผัสจากอัจทำทสี่โสพปฏิบตัติเรื่องนอกไม่เป็นของสาคัญหนักแ น, น, นมมยย่มีความสุกความสบายยู่ทิศระยะนม่เป็นทิศติดข้องกับเรื่องทังโลก ยึดที่ในมือทำน่ะเดือร้อนเือนลคิดจริงไปต่างๆตาเห็นติดคิดจงชอบรักหูได้ยินก็ชอบฟังสงที่จะมาก่อเกียจิตใจให้เกิดความตรหนดยินดีเพลิดเพลินไปในเสียงต่างๆจะมือได้ขิ้นก็คิดนึก ติตามไปกว่ามันหอมอย่างนั้นมันหอมอย่างนี้มีเสื้อผิดที่ไม่มีอักขามสาวแฟออกไปเรื่องนอกเสนอไปฉพระนั้นกองเหลือท่านจึงให้อาวุธเพื่อเจ้าสาโรมาขาทันตาตาเจียอาวุธสําหรับนักเหลื่อที่จะไปซื้รลบขบจัดกับเรื่องเกี่ยวเรื่องปัญหาท่านสอนเหยื่อที่เจอนะเพียงเหล่านี้ สมัยพุทธกาลทัานทำมาทิจาร น, นาตามทำสอนได้สาเร็จเล่งเลียงเป็นอาหารอาหารัหตอรหันต์นับทันนับห่นนับแสนนับล้านในยไดต่อสมัยปัจจุบันฟังกันเล่มเล่นในเอาจีงเอาใจทีเจรนาไม่จีงไม่เห็นเห็นเลยเพื่อเพลิมเล่เหลงในเรื่อในเสียงในกลิ่นในรส ไม่ต้อผัดไปถ้าหาที่เจรณาเข้าใจตามคำสอนที่ อ, อุปัฏฐากอาจารย์สอนหรือพระพุทธเจ้าแนะจิตใจจะไม่เหนื้อทำดีในตัวได้ที่งเรื่อปัญหาจะยอมรับกลาวว่าเพราะเมื่อจิตที่เจรณาธรรมะที่เจรณาเรื่องของกรรมฐ า, านดู่ยิ่งเรื่อก็ยอมเกิดขึ้นในได้เพราะจิตมีหน้านะที่อันดี คิดไปอันใดก็ไปอันนั้นอันที่สองจะต้องวางไว้ทิ้งไว้จิตใจมีหน้าที่อันเยอะอย่างนั้นเมื่อเรากลับหมดที่มีที่เจ้าอาจทำสิ่งดดที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนวิเศษจึงมนหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องพัวรันกับจิตใจของเราน่ะโดยส่วนใหญ่ยังในนี้อาจมีทำรายละเอียด ยังไม่ม <30. 6 S 1> ีที so ica, right ่อยู่ที่อาศัยจิดใจยังไม่เคยเห็นเป็นในอดในธรรมเรื่องสมาธิสมาบัติยุดจะต้องติดข้อเทิดเทีมนในรูเสียงกลุ่นลสต่างๆฉะนั้นทันจึงวางอาวุธคือกรรมฐานให้ในทิจนาเกวสาเลมานาขาทานตาใ่โจซึ่งเหล่านี้เราไปสถานที่ใดติดตัวไปสลอดเวลา แต่เกิดมาเพื่อจะทั่งวันตายตกรรมฐ า, านคือธรรมจะต้องมีประจำตัวมาตอลอดจะพิจารณาเวลาใดตามใดสมัยใดได้ทั้งนั้นเป็นตำราที่นักเท่านานักเบว่จะต้องศึกษาเดยสาต่อผู้ผลผลนั้นโดยส่วนใหญ่หาไใครคิดพิจารณาหยิบผลตามเหลองสมมติั้งโลก เราก็มากอาจะหลงจะถือว่าผมเป็นของสวยงามคนที่มีผมหรือผมที่คนที่การในดกหนารือนอะไรเกิดขึ้นอย่างไดอย่างน่ถือว่าคนนั้นไ่งามมีเลกสมมถือกันอย่างนั้นผมจึงเป็นเรื่องสาคัญที่จะทำถึนค้าให้เกดขึ้นคือเขาจะต้องหายสิงที่มาบำรุงผม ให้มันเสือมันงาม่างนั้นอย่างนี้ตลอดทั้งดัดแปลงแฉกไข่ตดแตงต่างๆเสียเงินเจียทองไปนับไม่ได้คนที่ชอบเสืองามจะต้องไปตกแต่งผมมันเป็นความนิยมความนิของโลกอย่างนั้น